ธรรมที่ดับทุกเน่ยนะเสด็จไปสู่ธรรมที่ปราศจากทุก์ทั้งปวงและสําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก่อนที่พระองค์จะดับขันธปริเนพานถ้าเปรียบเหมือนอย่างว่าชาวโลกทั้งหลายมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์เนี่ยนะที่มีทรัพย์มากจริงๆเนี่ยนะมีทรัพย์มากมีทองคํามา ก, ม, ม, ากมีเงินมากมีบริบูรณ์พ้นสุขเนี่ยเขาเหล่านั้นจะใช้สอยทรัพย์ที่มีอยู่ตามสมควรแก่ฐานะ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 โลกุตระซับซับเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นฌานอภินญาสมาธิทั้งหลายสมาบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอริยทรัพย์เหล่านั้นพระองค์เอามาใช้สอยอย่างสมบูรณ์ทั้นคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยโดยสัพพัควาเนี่ยหมายคก็ว่าผู้มีทรัพย์ก็ได้ผู้ที่บริโภคใช้สอยซัพย์ทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกแต่ว่าการใช้สอยทรัพย์ของพระองค์ไม่ได้ทําลายอะไรสักอย่างเดียวเนี่ยนะ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 นนะไอ้เส้นน้าเกลือเสียบตามอะไรต่างๆเนี่ยก็คงไม่จําเป็นต้องพูดถึงแล้วล่ะไอ้ น, นั่นไม่ได้ลักษณะเป็นอริยสัพปะอะไรรอที่จะพ้นจากทุกข์นนะมีแต่ความทุกข์อันนะเจ็บปวดตั้งแต่ถูกห อ, อกแทงแล้วว่างั้นไปเห็นบางท่านในแม้หายใจกินอาหารต่างทางสายยางเนี่ย น, นะก็แหมมันจะอร่อยตรงไหนเนาะชีวิตนี้อ น, นะอาหารทางสายยางบ้างอันนะร่างกายเนี่ยถูกปั๊มถูกอะไรอยู่ตลอดเวลานะนั้นก็เป็นความ ทุกอย่างหนึ่งที่นี้นี่เขาเรียกว่าโหคนมีโภกทรัพย์แล้วนะคนมีพวกทรัพย์ที่มีโอกาสได้บริโภคสายอย่างเป็นต้นเหล่านี้นะแต่ว่าถือว่าเป็นความอนาถาในพระาศาสนานี้เป็นแน่แท้คนที่เป็นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่อนาถามากๆก็เรียกว่าใครจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้จะคุยก็ใครก็ไม่ได้สื้อสารอะไรก็ไม่ได้ก็คือเก่งกรามยิ่งกามพลายิ่งกว่า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 มันทำอะไรไม่เป็นร้องเพลงเป็นอย่างเดียวร้องเพลงกับร้องให้มีอยู่สองอย่างก็แปลว่าหูเดียวก็หัวเราะเดียวก็ร้องให้เดี๋ยวก็น้อยใจเดี๋ยวก็หัวเราะร้องให้น้อยใจมันก็มีอยู่เท่านี้แหละเนี่ยจํามได้หมดเลยใครที่ทําอะไรกับตัวเองที่ตัวเองพอใจก็นึกยิ้มไปนึกถึงตอนที่เขาขัดใจก็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 ศรัทธาในพระธรรมตรายก็เทพนึกไม่ออกเลยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เงียบนึกถึงพระธรรมก็จําอะไรก็ไม่ได้พระสงฆ์ก่อนแล้วเนี่ยนะมันก่อนไปคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลบอกว่าป่นนี้แล้วเนี่ยนะสมถาวิปัสสนาอะไรเนี่ยให้เจริญยังไงมันก็ไม่ได้เรื่องในราวแล้วละเชื่อเหอะ มีอยู่อันเดียวเท่านั้นะพอจะเป็นไปได้ก็พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะอิติปิปปโสให้มากมากเอาไว้อายุเท่าไรก็อิติปิโสเอาไว้ให้เท่านั้นมากนั่นแหละให้มันเท่านั้นแหละยิ่งดีเกินอายุได้ก็ยิ่งดีจะได้อายุยืนขึ้นเนี่ยนะอายุในอะไรนะอายุที่เป็นบุญเนี่ยจะได้ยืนขึ้นอายุที่เป็นกุศลจะได้ยั่งยืนขึ้นจะไปแมมบอกอุ้ยตอนป่วยนะจะคิดสมถาวิปัสนาอานุ์ก็ไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาบอกเปหวังเลย ไอ้ตอนตื่นตืนสติสัมปชัญญะไม่ปวดไม่เมื่อยยังง่วงซึมขนาดนี้แหละไอ้ตอนนั้นด้วยในหมดสภาพเลยแหละเชื่อเหรอเนี่ยนะไรสภาพเลยแหละไม่มีสมัถนาภาพทางความคิดอะไรเลยไอ้ขนาดสุขภาพดีขนาดนี้ยังโง่เท่านี้เหมนกันเถอะไอ้ตอนนั้นจะโง่อีกเท่าไหร่เนี่ยนะปริมาณสติปริมาณปัญญามันลดลงหมด่ะทุกเรื่องมันลดหมดอะเวน้นแต่ว่าอายุเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะอันนั้นเพิ่มขึ้นเกือบจะจุติอย่างเดียวเพราะนั้น แต่ช่วงนั้นจริงๆอ่ะพอจะช่วยได้เนี่ยนะก็อิติปิโสพัควาเป็นต้นผู้ทางสารนังคัาชามิสมาทานศีลเข้าให้บ่อยเนี่ยนะเอาอย่างนั้นแหะให้ใจโคจรหยดได้เท่านั้นแหละบางคนก็บอกอุ๊ยเนี่ยมันต้องเรื่องนั้นสิมันต้องอย่างงี้สิลจำอะไรไม่ได้หรอกน้ำโมก็ตั้งให้มันจบเถอะเนี่ยนะยมก็มาเล่าให้ฟังบอกน้ำโมยังตั้งไม่ได้เลยท่านเขาบอกงั้นก็เชื่อว่าเป็นได้จริงๆยมคนหนึ่งเขาไปล้มหัวกระแทกพื้นขึ้นมา แหมงานนี้จะรอดหรือเปล่านาะโอ้ยมีแต่ความฟุงรร้งซ่านงานก็ยังจัดการไม่เสร็จอนโนนก็โอ้ยตอนแรกก็ทํำท่าจะเป็นโสดาบันให้ได้เลยนะแต่ตอนนี้พอล้มไปแล้วหัวนอกพื้นอย่างงั้นเข้ามันนึกอะไรไม่ออกเนี่ยเห ล, ลืออะไรก็เหลือแต่ว่าโอ้โหเนี่ยครั้งนี้ซ้อมใหญ่โตอย่งั้นซ้อมใหญ่ซ้อมโตนะมันทําไม่อย่างนั้นเนี่ยเดือดร้อนเอาอะไรมารับรองหลายคนนี่แหมทําเป็นเก่งกาจเหลือเกินเนี่ยพอเกิดอาการวูบวบว่วววววาบขึ้นมาก็รูล้ละชักมันแน่ใจแล้วกันเนี่ยเพราะนั้น ตอนนี้เนี่ยจะต้องฝึกต้องมันซ้อมให้ดีๆจริงๆเลยถ้าไม่ดีจริงนะไม่รู้แหละไม่ได้เจอกันมันดีที่สุดนะใครที่ซ้อมไม่ดีขออย่าได้เจอกันเลยนะนะกลัวรจริงๆถ้าไปเจอกันนี่ก็แปลว่าเราก็ตกซ้อมตกเหมือนกันนะไปอยู่เผ่าเดียวกันแล้วเดือดร้อนแนะ่เผ่าไหนน้อเขาเนี้ยกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทติเจ็ดสัตววาด้าไปอยู่เผ่าไหนภูมิไหนไปอยู่ฟาร์มไหนนะนี่เดือดร้อนมากไอ้ค่าฟาร์มไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะ แต่นี้ถามว่าเอาอะไรรับรองว่าพ้นแล้วอะ่ะเอาดินึกถึงว่าทําดีอะไรมาบ้างเอาแล้วลิกได้ไหมว่าตัวเองได้ทําดีอะไรมัง่งกายสุจริตทําอะไรมาบ้างว่าจีสุจริตมโนสุจริตศีลเจริญมาแค่ไหนทั้งชีวิตมาเลยเนี่ยสมาทานศีลมากี่ครั้งเจตนาตั้งใจสมาทานศีลกี่ครั้งตั้งใจรักษาศีลอยู่กี่ขณะจิต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 ใช่จริงอย่างนั้นเธอเนี่ยนะไม่กลัวหรอกดีใจด้วยแหละแต่ถ้าแมมปวดฟันแล้วเกินนึกถึงแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะถอนพาอนะไรเนี่ยถ้าอย่างงี้ก็อันตรายเยอะเนี่ยนะอันนห ล, หลายเรื่องโดยเฉพาะในร่างกายของคนที่จ ะ, ะลาโลกนี้ไปจากโลกนี้ไปมีไม่มากสักเท่าไหร่หรอก อาการยังครบถ้วนทั้งสามสิบสองแล้วก็ตายจากโรคเนี่ยนะบางทีก็แผลเวอะวะเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยนะกว่าจะได้จากเหมือนถูกหอกถูกอะไรทิ่นแทงสรารพัดอย่างมันถ้าเราต้องซ้อมไว้ให้ดีๆเลยแหละความเจ็บป่วยที่เข้ามารุมเร้าในตอนนั้นเนี่ยจะขนาดไหนอันลงเรืองนี่ยไปซ้อมใหญ่มาแล้วแค่ซ้อมใหญ่แล้วก็มันก็ดีขึ้นเท่าไหร่นะแทนที่จะมาฝึกใหม่ให้หนักๆขึ้นเปล่าเลยตรงนั้นข้ามเลยนะเที่ยวกาสตําหนิผู้ใหญ่ให้เด็กฟังเลยนะ ถ้าซ้อมไว้ไม่ดีเนี่ยอนาคตเนี่ยลำบากแน่นอนเออไปคนเดียวลงเรืองไปด้วยหรอกนะนี่มันต้องฝึกต้องซ้อมมันนะนะไม่งั้นนี่เราจะนึกถึงอะไรถ้าบุญทำไว้แม้สมถาวิปัสสนาเยี่ยมจริงๆเออถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะแสดงว่าเยี่ยมจริงๆริละวังนั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าบุญตัวเองก็ทําไม่น้อยอุ่นใจ อ, อะไรมาอุ่นใจอ่ะบอกแม่ทําใจให้สบายสิมันทําได้ไหมล่ะอ๋อ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 พุทังสารานางังคัจฉามิให้แจ๊วแจวเนี่ยนะตั้งเอาไว้เถอะบ่อยๆให้ชำนาญพุทังทำมังสังทังสารานางังคัจฉามิเนี่ยหรือไม่อิติปิโสพะวาอรหังสัมมาปานาติปาตาข้าพเจ้าขอสมาทานอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเจริญให้บ่อยๆเลยให้อุ่นใจวนอยู่อย่างนั้นให้อบอุ่นใจเนี่ยยิ่งฟุ้งมากยิ่งต้องข่มตรงนั้นมาก